โอ้สัตว์ในวัดเท่าไรแต่แต่เลยมอว่าในหลวงพ่อยางออกวัดไปเปิงหมูกําลังกัดกินเปลือกมะค า, าต้นมะคาหน่อยขนาดแข้งขนาดแขนเนยกัดเปลือกมันกินเพราะนั้นพวกกู้บา่าซอยกันเบิงนะอาหารนะอาหารใ้เตียงอาหารเนะบิงเบิ ง, บงพวกเขาพวกห่อมพวกนั้นเนี่ยจะไปเก็บไว้นะบาดท่าเจ้าของว่าจะนิยุตใส่สอกมากินมดบาดท่าหมูนะจังได้กินก็นได้จังได้ก็ได้โมเมนตแนลเนี มันมีอยู่ก็หาให้มันกินคำมันบ่มีคามันขาดก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อยจะไดเอามันมาให้มันกินเนี่ยข้าวเนี่ยมึงหมูมันอึดหมูมันอดอาหารแล้วได้ไหมท่านมึงมันหากัดต้นไม้กัดต้นมะคากินอ่ะแสดงว่ามันหิวอาหารเต็มท้นแล้วเนี่ยเข้าพระตองสังเกตเขาเป็นพระเด้อเขาเป็นคนเขาเป็นมนุษย์เข้าต้องให้ความเมตตาต่อสัตว์ขนมาคุงไม้ ซือมคงมาให้ซือมั่นจำพลังมาให้เขา่าวันห้มันเขาก็ซื่อมาให้เวมันยั่งเหลือบะเข้ากับห้ำประคุกคุคุกคุกใส่กันเนละก็เท่เท่เท่เทไเห็นมันได้กินจัดหิวคือกันกับคนหิวเข้าหิวคือกันอนะ่ะเพรนันหลนะเลี่ยงเลี่ยงมันไว้กับกับโูนินาวัตตีโลกโกะ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้มันก็พยายากมาเกิดเป็นหมูมาเกิดหมออยากมาเกิดเป็นเชนีดหรอกหม้อยากมาเกิดเป็นหมาจังเฮาขึ้นกันเฮาหนูก็พยายามมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นกันเด้แต่ว่ามาเกิดเราก็เออเอาพอใจในการเป็นมนุษย์แต่ในใจในของเฮาน่ยพุ่นแล้วจะไปเกิดเป็นอยู่สวรรค์สั่นพุ่มนะเกิดเป็นมนุษย์ก็จะพุ่นแหละมองลุย้ลยๆคนนะ่ะมองห้างๆมีมีมองสุกสนุกสบายคนนะ่ะ น, นี่คือจิตใจไฟฝันของสพรพพสัต์ทั้งหลายในโลกคนเราไปเพราะนั่นพวกสัตว์ทั้งหลายทีเกิดมาเป็นมนุษย์ใด้บ่ในรักเพจนบอกว่าจิตใจของสรรพะสัททั้งหลายนี่ไฟฝันให้ค่ายครับว่าบ่ยินดีในการตํากว่าเจ้าของบอ่อยากยินดียุย่ในปัจจุบันของเจ้าของใจของมนุษย์น่ยอยากจะสูงขึ้นหมดเยอยากจะสูงคําว่าสูงขึ้นตั้งใดว่าจะไหน สูงขึ้นทางหลักออยากมีเงินมีข้มทรัพย์สมบัติอยากสูงขึ้นทางยศอยากมียศถาบรรดาสักสูงกว่าเขาอยากมีสรเสริญเษือนไปอยากให้คนเยินย่ อ, ยอมากกว่าเขาไปอยากมีสุขอยากมีสุขมากกว่าเขาอันนี้คือการไฟฝันของจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกพอเห็นนั่นเวลาเข้ามาเกิดอยู่ในระดับใดเกิดเป็นหมา มันก็บอกมันจยกมีความสุขกว่านั่นไปแค่ไหนทีมีความสุขก็เป็นหมายอยู่หมาทั้งหลายไปแม่มันก็ไปฝันขึ้นว่าโอ้ข้าได้เกิดเป็นมนุษย์กระสิดีฮะต่อมามก็เลยได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าจิตใจไฟฝันของมันของพวกเฮาขึ้นกันเฮาว่าเกิดเป็นมนุษย์เฮากับไฟฝันอยากจะไปสูงกว่านี้กว่านั่นไปก็เลยเป็นไปเกิดเป็นเทวด า, ายัางสั้นนะแต่ว่าการไฟฝันจุดนั้นน่ะตรงเองตรงทํำกระทำพร้อมเด้ เออการเข้าอยากได้ราบนะับเข้าขี่ขานนอนเอาตาเหลือมอยู่เมาเมาอยู่ปัจจัยได้เงินได้ทองมันกับบ่อใดมันออกไปกันอยากได้ยศขึ้นกันเข้าต้องเลี้ยง น, นังเสียนหนังสือเอามันขยันในการทําการทำหัานเพื่อจะให้ติดยศสูงขึ้นไปอันนี้ก็ต้องขยันอีกมันออกไปเออสิไปนอนรับตาเหลือมเมาเมาอยู่ซื้อยศมาผาดมาเกยเป็นไปบ่อใด สนะเสริญคือกันเฮ้าต้องถ้ำดีเป็นทีย่อมรับของขู่คนคนทั้งหลายจึงชนะเสริญเฮ้าชนรเสริญจึงเกิดมาได้พ่อแม่ไมีขี่ขานอนั่งอยู่สื่อเขาก็มิแต่นิ่งท่านะเดินนะเขาก็บรรลชนะเสินสุกคือกันความสุขสุขทางยิจยิตใจสุขทงางร่างกายเขาก็ต้องสสแสวงหาคือกันเผู้นั้นหลาบหยดชนะเสริญสุกเลวกการไฟฝัน ของจิตวิญญาณหรือว่าใจทุกคนเนี่ยสอบนั่งในทางสูงประสอบอยู่ในทางต่าประสอบลงทางต่าสอบมีความสุขสูงสูงขึ้นไปทั้งหยาบทั้งลาบทั้งยศทั้งสรรเสริญทั้งสุกคนอะอันนี้แหละจิตวิญญาณของมนุษย์ชาติคนไปแต่ว่าเฮ็ดจังไหรบานนี่ยพวกเขาจิตมีความสุขส ม, สมความมุ่งมา่นปรารถนา อันเนลรลักษณ์ของพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าว่าให้เป็นคนดีเนอะไหมีท่านเนอะไหมีศีลเนอนะไหมีภาวนาเนอะไหตรวจตราบังเจ้าของเนอะสิ่งใดสัวยาเหตสัวยาทำยาคิดยาพูดพูดทำสิ่งในสิ่งที่ดีกันเมื่อสิ่งที่ดีแล้วนั่นละ่ะความสงบรล่มเย็นเป็นสุขก็จะเขา่เขาซูมาดจิตใจของพวกเข้าการพวกการทำของพวกเขาเนี่ย การทำดีก็ทำท า, าชั่วเนี่ยมันล่างกันได้บ๊อสบางคตในทำดีทำกรรมชั่วมันกะล่างที่มัดกระมี่ไปการทำความชั่วมาในทำกรรมดีขึ้นมามันล่างกระมีอขอย่างคนทีเทวาอนั น, อนันตริยกรรมหา้ามาตุขาดข้ามานดาร์ปีตุกาดขาดขา้าพ่อมันไปอรหันตะ า, าด ขาพระอรหันต์โลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าย่างพโลหิตให้หอกสังกเพศยุโยงสงให้แตกกันอันนี้เป็นว่าบาปนักที่ซดแปลว่าบุญกุศลที่เฮาสางมากในพบชาติต่างๆพบภูมิต่างก้อนๆพ่อมาทำอนอนันตริยกรรมหาขึ้นมาแล้วแปลว่าผู้นั้นบุญกุศลที่ได้สางมากน่ยคือการครับเอาไฟจุดเหลาเผาเลื่อนเกี้ยงมัดวนลงไป มืองบอนมีอย่างมีะตะโถหล่อนจอนมันลงไปอันนี้คื อ, อทํำบาปนักก็ทําบุญมากขึ้นกันคณะมพวกเข้าทําสร้างบุญสร้างกุศลมากก็สามารถที่จะชะล่างความส่วในจิตในใจของเอ้าได้ขึ้นกันถว่าทํามากเลยขึ้นกันครับสิ่งสุขบกทรงสิงส่งทุกขกมันหน่อยแต่น้ำล่างของเอ้ามันหลายม่นไปพระเจ้าขยังตอนนำยังเทศสารเขาไป มันก็สะอาดได้แต่ถ้าหากว่าเห่าบ่อใดสางไว้ไมิต่ดหาปลอยหายมหามันล่างกำซื่อๆบ่อใดแล้วกำคือการกระทําำการกระทําของเห่าตัวนี้เนี่ยมันกลมคืนกับจิตกับใจคนนี้มันโมเมนธรรมดาอถ้าว่ากาวกันกระแมนอนํามมือกระปุนอะ่ะห่างก็มีจิกคนเอวันนั่นไปมันซึมเขา้ายุเข้าสู่จิตใจของเห่าลึกซึ้งลึกมากคนนั่นไปกำตัวเนี่ พราะนั่นจีล่างแบบง่ายๆล่างบ่ได้แล้วแม่นๆอยู่ล่างหลอกตอนเองเนี่ยจังว่าล่างบาปจริงสนล่างบา่ได้ล่างล่างกรรมชั่วกันตัวเองเคสแล้วลงไปอกันเคสกรรมชั่วขึ้นมากแล้วมันก็ต้องในสวยกรรมชั่วของตอนเองสรุปแล้วคือขึ้นลักของพระพุทธศาสนาไทยย่ว่าเปรียบเทียบกับศาสนาคิดจริงสอกรรมก็คือการขับพระเจ้าลงไปพระเจ้าคือการขับกรรมลงไปคือกัน ต่เปรียบเทียบกันมีแนวโนมเบียบเดียวกันกรรมคือการกระทํมันเอาไปการว่าเฮาถ้ำหลีแล้วพระเจ้าก็ประท่านหายพระท่านพ่อนหน้ยกไปเอาถ้าาว่าทํากรรมซัวเอไปกรรมซัวเนี่ยเขาถําสิ่งคือบุตีเนยพระเจ้าจิประท่านพ่อนในเฮาใดยังไงประท่านพระเจ้าก็มีตั้งแต่เมื่อเฉยกานว่าเมือนเฉยกันเนี่ะประท่านกรรมซัวให้แต่ะติดคุกติด ต, ดตล่างมันเอาไปเขาคุกคิดเขาตล่างใดเพราะนั้น พวกเฮายาอให้เสือกล่ำเสือผลของกล่ำกล่มคือการกระทําทําดีได้ดีทํำชั่วได้ชั่วในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าว่าถ้าว่าเฮาทำกรรมชั่วแล้วนี่เฮาทํากรรมดีล่างมีบอกมีตัวอย่างบอกในหลักของพระพุทธศาสนามีเออสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุง ราดตะคือนลงไปในกรุงราชคือเนี่ยครพระเจ้าอาซาร์ศัตรูวนลงไปเปิดพระเจ้าแผ่นดินบ า, านนี่ในกรุงราชตะคืเนี่ยมีคน้นพูนเงวนวนไปแต่มในนอกกรุงน้อคล้ายๆกับสมัยก่อนมันตำรวจทหารมันก็เครื่องไม้เครื่องมือมันกับบดีปานคุมมือหนีเด้แอบย่างมากกับมีดนาทะูุนาเก่งกับมีห อ, อกมีดดาบ เท่านั้นล่ะผม ม, ม, มีปืนผาหนาใหม่ ย, ยังสี่คนออกไปเพราะนั้นเห็นกันยังสี่เกิดลบลูกหนาก็ไาะไดคนออกไปเอามีดไรฟันกันยังสี่ก็ไะไดคนไะปบ้านี้ก็มีโจนผู้ไล่เกิดขึ้นสมมติว่าแต่เมืองผู้ที่จะ ม, มาทํามาค้าขายพ้นอยู่เมื่อกอุดรไปเมื่อหนองค่ายในสถานะบ้านในมีโจนผู้ไล่อยู่ในระวางทางเอคนไปมาดักอยู่ในวางทางแนื้อกางหลงนะ โจนหาลอยะโมเมนทรรมาดาเดี๋ยวโจนก็น โ, จนกนโจนหาลอยนะหาลอยค่นมันไปมาไอเนี่ยกัดั ก, กันก็ดักขู่คนดักผ่นดักจี้ดักนั่นนอนไปคนไปมาหาซูกันกันพลอยลุวยไปเขาก็ดักกันพลอยจนไปเขาก็ปล่อยไปมันลไปบ้านทานนี้มีคนคนหนึ่งนไปเกิดจินในกลุ่มลัดจะคือเออตาเลเฮยตาเลยคือตาเบิ่นนอนไปบ้านเท่าเตินตาเบินเบ่น คนตาเบื่นวนออกไปการหนวดแดงผมแดงอีต่างหากว่ยอันนั้นแปลว่าคนถ้าเป็นงัวแห่งจีนเขาก็ว่างวงห่งบอดีวนออกไปลักษณะบอดีวนออกไปถ้าว่าคนเป็นแบบนั้นวนออกไปคันภาษาเล่าห้องกว่าอตาบอดบอยหัวมเลื่อนตาเบื่นบอให้ัวมบ้านวนออกไปลักษณะนั้นออกวนไปแต่ตามจริงหลวงพ่ออินหมบอกน้ำหลอกแนวกันหลวงพ่ออินโมว่า ขันพลอยเฮ็ดดีผู้นั้นก็ดีขึ้นกันเพราะว่าตาบอดตาเบือนมานลไปขันพลอยเฮ็ดซวมันก็นสัวทั้งหมดน่ะตาดีไปเนี่มันก็เฮ็ดมันก็สัวอะไรขึ้นกันมันลไปอแต่วันนี้คนหมัวล้านเขาวาจังสั่นมันลไปก็เลยเอาเป็นคําพังเพือทา้งอีสานมาบ่อยเฮ้าฟั่งมันลไปนี่แหละบาเน่น่ายตาเหลือหนวดแดงะนะบาเน่ก็ได้ทิไปสมัครพักพวกเป็นโจนเข้าไปเป็นโจนเนี่ยเขาต้องไปสมัครก่อนเนีย ลอยแหล่เขาไปกับไปหาร่องหัวหน่าวนะไปแทนร่องอผมอยากจะเป็นมาสมัพกพรรคพวกกับมูให้รับผมไว้เป็นมูเป็นเพื่อนหนึ่งเธอหน่อยท่างหัวหน้าโจรก็บอกว่าก่อนที่จะรับผู้ใดก็ตามต้องไปหาหัวหน้าก่อนบานนี้เขาเลยพาไปหาหัวหน้าพอหัวหน้าเห็นแล้วโอ้ไอ้นี่บไดายเราก็จัเนี่ยลักษณะบอดีเนี่ยัวงเหงบอดีเลยท่นขันรับขืนมาเนี่ยทลไร้มูมอนี่ก็จะ เออมันตามันกระ well มแมนแน่วอีกหัวต้นก็ะมวลมีแน่วอีกลักษณะมันโบดีเลยสันมันเป็นคาลกินี่สันเออขนาดโจรเขายังยังเลือกเด้มาทั้งไปยังเลือกพักเลือกพวกเด้ยังเลือกพักเลือกพวกก่อนไปหมอหนีบอะไรอ่ะสันคือรับมาเนี่ยเป็นอันตรายตัวมูสันเพราะว่ารับบอได้แน่วสันนี่บอได้สันนีไปฮะไล่ออกก็สันน่วานาโจรวะบ้านี่หมอได้ก็ ขอมาหาหร่องหัวหนาเอกโอ้ยอร้องาันถึงัก็ให้ผมอยู่น้าเธอมาันเนี่ยบาานี่เอตาเหลือนหนวดแดนเนผลนีบัอยางนี่วานเอาไปร่ อ, องหัวหนาจากไตหยังเอ า, าไปกระดกหยังเนกระเดียวบางหนังกับแม่าโดดแดนฮับเลี้วนเอาไปบาา น, นี่กับมาหาหัวหนาโจ น, นโอีกมันดีแท้ๆเด็ดักนียว่ า, นาันเนีเอมันยอมรับทุกอย่างเลยนับความทาว่ามันเป็น ลูกน้องเขานี่คงจะเป็นคนดีผู้นึงขึ้นกันเบิงมันฉลาดนาวนนท่างหัวนาก็บอกว่าบ่บ่บเบ่บ่บ่ว่บ่บ่บ่บ่บ่ว่บ่บ่บ่บ่เนบ่บ่า่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่เ่บ่บ่บ่ม่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บบ่บก็เบ่บ่บ่บ่บ่บ้บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่่บ่บ่บ่ บ, าาาา บ, าา บ, บ่บ่บนะ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่ะ ให้ล่องรับผิดชอบเองเอี่ยสำหรับผมผมเฉพาเบาครับไปแต่กร ะ, ะกล่องหัวหน้าก็เลยรับใบเป็นลูกน้องเจ้าของเป็นสมุนไกลชิดวันไปเ่ยเป็นสมุนไกลชิดพ่อต่อมาบ่าเนี่ยระเจ้าอาซาสสัสตว์วันไปยกตำรวจทหารไปล้อมแล้ววันไปล้อมจับโจนหาลอยใดจับไดมดทุกคนวานนี้พ่อจับไดแล้วบานนี้ก็ใส่คือใส่ฆามาัดวอนไปมัดไว้ทราบล่าไปวานนี้ ไปเจ้าพิมพิสารกัให้พวกอมาัอาไปถามใ ห, ให้พวกอมาัดลงโทษวันนไปปฏิัดข้อก้นหาลอยโมเมนธรรมดาเดียวหนึ่งไป<า>ก็คืดหนาคืดหลังคืดกันวันนไปก็เลยถามพวกหัวหน้าโจดวันไปอ่าอ่ามึงเป็นหัวหน้าเหรอท่นมึงจะขาลูกน้องได้ได้ไหมท่านขันมึงขาลูกน้องได้มึงก็จะเป็นมึงจะเป็นเพชฌฆาตไปจำ ประจำเมืองเลย่ยเอาะนขเมืองขาใดอาเอเป็นเพชรขาดประจำกุงรัดตะคือเลยอาเถทังหัวหนาอไยผมขาลูกน่องไ่ได้ครับผมขาลูกนองไ่ไ ด, ผได้ผมย่อมตายเถิดอันนั้น ห, หนาโจนโมเมนทัธรรมดาเนี่หลักลูกนองมันไปถามไอ้สองเอกมึงขาดบ่เถอะบ่ได้ครับผมขามูอไ่ได้ผมขาหัวหนาวไ่ได้ผมขาใพิบไ่ได้ผมย่อมตายครับอำมาตทั้งหลายพวก ตำรวจทหารตำรวจไงก็ถามไปถามไปจนหอดไอ้ตลดิดหนวดแดงว่นไปมึงจะขาได้บอจัน ไ, ได้ครับเป็นว่าอได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดการวันไปเออเอาวัานไปตั้งแต่มื่นอนันมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดปีนไปเป็นโจรไอเป็ น, เ ป, นเป็นเพชฌฆาตวันไปเขากเอาดาบไปห้อยซัดข้อหัวหน้าก่อนวันชัดเลยล่องหัวหนา้าชัดเลยน่ว้ย โจรทั้งหมดหาลอยในเกียรตับฟันออกไปเราคงจะเป็นหาลอยกับหนึ่งคนกับตะแกรงละมั้งพบตะแกรงโจรหาลอยเตัดข้อทีเดียวหาลอยอเซ็ตเรอวหน้าไปตอนนั้นต่อมากก็เลยหน้าตาเหลือหนวดแดงเนี่ก็เลยเป็นเพชรฉาดประจำกุงหลัดจะคืดเรื่อยบ้านจับโจรมาเทละหาทละสองทีละหนึ่งทละสิบมากแปลว่าเอฟตาเหลือหนวดแดงเนี่จัดการเร็วหน้าไป แหม่ก <c oughs> คงจะเป็นสมัยก่อนกับว่ามุ่ยจุ่ยจเจรเร่นที่เข้าในยินสมัยเข้าเป็นเล็กหน่อยหน่อไปแอมเพ็ด <c oughs> สขาดวันออกไปขาดค้นวันไปบาทฮานี่ต่อมาต่อมาอายุหาสิบผาปีบาดนี้ว่ออายุสิบเจ็ดสิแปดจนหาสิบผาขาดค้นเท่าไหร่วันออกไปบาดนี้ออจนนับบอกควายวันออกไปนับหลงวันไ ป, น บ, นนไปบาดฮานี่ก็เลยอายุหาสิบผาพ่อเขาเอาโจทย์มาหนี่ เอาเฮ้ยเรสาดตาเลอะรจัดการไเอาดาบกาไปตัดข้อเจดบาดได้ก็จ๊จ๊ตัดทั้งสามสี่หาเธอกระบอกขาดข้อคนกวาไปมันวัดแหงเด้ใอ่หมันบวชขึ้นสมัยนมสมัยนมน่ตัดบาดเดียวกรขาดบาดหานี่กตัดบาดนี่กรบอกขาดตัดบาดสองกระบอกขาดตัดบาดสาไอพวกตำรวจทหารที่ยืนเบิร์เนี่ก็โวยบ่ไหวปัญหาทุเลศทลังว่านเน เนี่มเาันอาจจะตัดขาดทีเดียวเนี่ตัดตั้งสี่หาบาทตั้งกระบอขาดกันไงเดือดฟงแล้วฟงอีกคือแถวนั้นวนไปบาเลยก็เลยเสนอปศเพชศขาดกันไปเสนอปศเพศขาดในตาเหลือหนวดแดงออกจากเพศขาดเพราะอายุแกแล้วกันไปอายุหาสิบาปีแกแล้วควรจะปศออกจากเพศขาดกันอะไรเสนอขึ้นไปตามขันตอนบาแล้วก็เลยเอ้าสร้างปศกันไปบาทนี่สร้างปศก่อนที่สร้างปศเขาก็ให้บำเน็ตบํำนานออกมา เขาก็ให้เงินก้อนหนึ่งออกมาน่าตาเหลอหนวดแดงเลยคะกลับมาหอดบ้านของใสสิบผมมีลูกว่ะมาหอดเมียนเออนี่เงินก้อนนี่เป็นเงินก้อนชุดถ่ายเท่าแล้วนะเหตเพราะว่าต่อไปนี่ก็คงจะพอได้เงินอไล่ไล่หัวตีตัดข้อเขาแล้วก็ให้ไล่หัวพ่อเมียละบ้านเนี่ยเขาให้เงิ น, นเป็นก้อนมาเอาไปเฮ็นอาหารดีๆนะเลียงกันบังหนุกเมนี่ยววันเด่ ผู้เมียก็เลยไปจัดอาหารอย่างนี่โยนโนไปก็เป็นขูมือก็จะเป็นอาหารอะไรโหลดลดเลิศวัน โ, ดโดนไปพระโดดกําแพงบอกหูฉลามไปนยังสั่นเหล่านวันโนไปอันนี้เป็นวัดสมัยนั้นเป่นก็วั ด, ออว ด, ด, อดไ อ, อ้ข้าวมัททุปลายาดน้ําน้อยวันไปเออเข้าก็ได้ยิ่งวางเสนอเขามัททุปลายาดน้ำน้อยเป็นอาหารเลิศรดวันโดนไปในยุคสมัยนั้นผู้เมียก็เลยเหตอาหาร พอเฮ็ดอาหารเสร็จแล้วผู้เมียก็เลยกินเข่ากินเขาก้อนหนึ่กินก้อนพ่อกินก้อนบัดเนี่ยั่งแต่ผัวบัดเนี่ผู้ผัวก็เลยไปอาบน้ามก้อนนึ่งไปเพราะมือนีเป็นมือเกษียณเจ้าของเลยเด้ก็เลยไปอาบน้าช่ำละกายเรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นๆแล้ยลงไปพ่อยางกลับมากเขาไปเห็นภาษาลิบุตรภาษาริบุตรเถระเนี่ยเพิ่นนั่งเข่าสมาบัดเด้นั่งเข่าสร้างสัมาวัดอยู่เจ็ดมือกันลงไปเป็นวชันอาหารเด้ เข้านิโรธสมาบัติตั้นไปเอพอผลตั้งคิดอธิษฐานว่าเอ้าข้าพเจ้าจะเข่าสู่นิพพานแกว่าอุปาที่เสสนิพพานเข่าสู่พระนิพพานคณะยังมีชีวิตอยู่ตันั้ไปแกว่าเข้านิโรธสมาบัตินี่อุปาที่เสสนิพพานเนีอนุปาทิเสสนิพพานคือเข่าพระนิพพานในขณะที่ตายแล้วตนั้ไปเข่าสู่นิพพานไปเลื่อยนว่าอนุปาทิเสสนิพพานอุปาทิเสสนิพพานคือคือเข่าเข่า เขาอยู่ภายในผ่านเขาช่อมภายในผ่านเขาเสวยภายในผ่านเอีเขาเสวยวิมุตติสุขในภายในผ่านในขณะยังมีชีวิตอยู่ฮะเจ็ดมือเนี่ยไปเออเขาวรรับรูทังร่างกายเลยแหละเออพ้นก็เขาสุนิพันธ์พอเจ็ดมือแทนนี่เออพ้นก็เลยออกมาจากนิโรธสมาบัตเมืออกมาเพ่นก็หิวแล้วพอนไปร่างกายหิวแล้วไปพพเพราะเพราะจิตใจออกมาสัมผัสร่างกายได้เลย พ่อออกมาสัมผัสร่างกายร่างกายก็หิวเข่าเลยหิวเขา่าหิว้ํามเลยไปอพอร่างกายคลายๆก็ว่าใจออกไปจากร่างเพื่นบวบลับรูบ ร, รับซาบ ไ, ไปเป่านี้เพื่อนกขาล้ออกมาเอ๊ะเข้าสิไปโปรดใสน่น้อไผสิถ้ำบุญกับเหล้านอ้อวันนี้ขั้นโพธิ์ทําบุญกับเหล้าเมื่อเนี่ยบุญกุศลมหาศาลเลยแ น, น, นวาอาจารย์ปนวะภาษาลิบุตรเพล่นๆ น, นั่นอะ่ะพราว่าพระออกจากนิโรธสัมาบัตินี่ ขันบุรีท่าบุญเออผู้ข่าขอปาถนาเป็นเศรษฐีก็ได้เป็นเศรษฐีมือนั่นวันโนไปเออก็ได้ปารถนาเป็นเจ้าอามาตก็ได้เป็นเจนานามาตคันว่าพระเจ้าแผ่นดินว่างโลงในจุดนั้นขั้นว่าปาถนาขอให้ข้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินวันโนไปเออขันว่าพลนวางโลกวันโนไปเอออันนี้แ่ะอันนี้สงศ์เตท่านบริจาคท่าบุญกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัตถ์นี่อันนี้สงศ์มากวันโนไป มาในพลก็ม่องไปมองมากเไปเห็นในตาเลือหนวดแดงเขามาในจอเลดาของพลนวนไปจอโทรทัศน์จอเลดาของเพินเพนก็พิรณาบองเอ้นตาเลือหนวดแดงนี่มันจีบมันจีมีศรท่าบ่อนอ๋อมันจีทำบุญกับเพ่ามันไม่หนิเบิงโอทำบุญอีลีไตนในตาเลือหนวดแดงสงสัยในตาเหลือหนวดแดงเนี่ยค่อยๆไปลูกซิดลูกหาของเพื่นมาก่อนมันไหลวงพ่อว่านะในตำราพลบุรีวาดตกจุดนี่ แต่สงสัยกับคือสิเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้มีอุปการคุณกับภาษาริบุตรมาก่อนนะ่ะยังยังเข่ามาในตาคายของเพลินวันไป ท, ทั้งทีมันทำก่ำนักขนาดนักวะเนาะบ้านนี่ภาษาริบุตรก็ไปบินทบาทออก็ว่าเหาะไปเรื่อยเราวันไปไปโ ล, ล่งเลยก็เป็นก็ญ่างไปตามลาพังของเพล่นในตาเลอหนวดแดงนี่ไปอาบหน้ามาแล้วบาทนี่ยาง ส, ว น, างสวนพระพุทธยางสวนภาษาริบุตร ข้ อ, อยางส่วนก็มามาเห็นภาษาริบุตกําลังออกมาเพิ่งก็ถามว่าพ่อปู่เป็นเจ้าได้อาหารในยั่ครับผมเหรอฉันภาษาริบุตเพิ่งก็ช่วยผมขอเปิดบาดพ่อปู่เป็นเจ้าได้สิอาหารมีในย่งครับผมภาษาริบุตก็เลยเปิดบาดเงองเบิ่งโมมีอาหารมันโอ้โนิมนต์นิมนนิมนต์ไปรับอาหารในบ้านของกระผมบาเลยนิมนต์ภาษาลิบุตตามหลังตะแกก็เดินอ้าวไปเร็วนะไป ไปหอดบ้านก็เลยถามแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านว่าท่นอาหารผมยังเหลือบ่อว่าท่านเหลือยังย่างโยว่าท่านสำหรับของเจ้าเนี่ยย่างโยแต่ว่าของฉันฉันกินก่อนแล้วว่าท่นเอาออกมามามากมากมากมัดนะนะสิไซบาสทําบุญเลยท่านตั้งแต่ทํางานมากอายุตั้งแต่น่อยนุ่มบอกเคยทําบุญจักเทือกวานี่มือหนีเป็นมือชุดไทยว่าทําบุญเป็นมือชุดไทยเป็นมื่อนั่นละมือนีกว่าบาท่านเองก็เลยเนี่ยก็เลยเอาอาหารมาให้ สำหรับคนคนหนึ่งวันไปมาอะไรก็เลยเลยค้อาหารลงใส่บาพระาษาลิบุตรพระสาริบุตรก็เลยปิดบาดไว้ว่าเอาละโยมเอาไว้กินสักครึ่งหนึ่งวันสันเดียร์ธมะจะเอาเครึ่งหนึ่งก็พ่อละลักษณะนั้นวันไปโยมตาเหลือหนวดแดงเลยก็บอกโอ้ยอันนี้อาหารสําหรับคนคนเดียวกระผมจิถวายแห่มัดพอชีวิตของกระผมเนี่ยยังไม่เคยทาบุญจังสี่มาก่อนเลยข้าวนี่ขอถวายอาหารเป็น พิเศษกับผมขอให้เมตตารับอาหารของกับผมเถอะกับผมภาษาริบุตรก็เลยเปิดบาดขึ้นมาอีกก็เลยเทอาหารใส่ในบาดภาษาลิบุตรเต็มมัดบาดเนี่ยเปิ้ลก็เลยภาษาริบุตรเกิดพระูมเป็นเจ้าไม่มองนางอะยั่งวะภาษาลิบุตรขอยังขอในม้วนขึ้นไปนั่งเนื่องกับผมก็เลยในม้วนขึ้นไปก็เลยไปปูอาชนะที่นั่งจัดน้ามจัดนางภาษาริบุตรก็เลยให้ศินให้พรภาษาริบุตรก็เลยฉันอาหารก่อนไปพ้อมเลยก็เลยฉัน พอฉันได้ขนาดเครงเครงอิ่มนี่ยเพลินก็เลยตักอาหารในบาตเพลินเพราะว่าเห็นว่านายตะเลือหนวดแดงมืท่านนี่ยมีอาหารล่องคลองแล้วเนาะเพลินยังหิวอยู่เออแล้วคณวาชีแสดงธรรมด้วจะพูดในฟั่งก็คงจะบอกเข้าใจกระจับกระสายเพราะมันหิวเนะาะไปภาษาลิบุตรกะลิบแบ่งอาหารของเพลินให้ในายตะเลือกินอีกเพลินพราะเพราะอาหารอยู่ในอาหารมันมันผู้เดียวของสําหรับคนผู้เดียวเนาะไปจากนั้นเพลินก็เลยฉัน ชั้นแรกกันายตะเลยเก็กินอาหารเข่าคนบาดภาษาลิบุตรตัวหน่อยพอกินแล้วเรียบร้อยก็เลยภาษาลิบุตรเอานาั่งง้อมสันเดี๋ยวที่บอกอยังให้ฟังสันเดี๋ยวจะให้พรานสันไปภาษาลิบุตรก็เลยเทศให้ฟังเทศให้ฟังคนเฮ้าเกิดมาในโลกต้องมีกรรมกรรมคือการแต่ทําทํำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบาปได้บาปทําบุญได้บุญกรรมชั่วเนี่ยทำแล้วมันกบบรบดีทําให้ใจของเฮ้าเดือดร้อนบุนไหว ทำให้จิตใจของห้องเป็นทุกเพราะนั้นจะไปทํากรรมซัวให้ทําแต่กรรมดีๆจะไปให้เป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจอันนี้ภาษาริบุตเป็นกเกษตรเนี่ยฟังวะทุกไปในตะเหลือหนวดแดงกับนั่งฟังพอนั่งฟังก็ ม, มาคิดถึงเรื่องของเจ้าของอบาเนี้เอ่อกูแต่อายุหน่อยนมุมจนอายุแกถึงหาสิผาปีากูขาคนมาจักสักคนขันว่ากูสีไส้กำเลยตายตายตายตา ย, ตายจักสีไส้กำขนาดใดแล้วสันเด เอมบาปกรรมตัวนี้บอแมนธรรมดาที่แรกกูก็ทําด้วยความบัลูุแต่บัดนี้เฮ็ดยังได้ได้แหละทํากรรมไปแล้วใครข้าว่าจิตกไก่วิตกังว่นยวนันลงไปเอ่ยยอดหนายอนหลังวิตกังว่นยางมากคนนั้นไปพระษาลิบุตรก็เลยบอกว่าโยมพระษาลิบุตรหูเด้เอ่หูวาลาจิตของโยมเอ่ยนตาเหลือหนวดแดงโยมโยมไม่มต้องคิดถึงอดีต อดีตที่มันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้ว อ, อนาคตมืออื่นเมืองเฮยย่อมว่าท่านถึงไม่ต้องคิดถึงให้ฟั่งขณะที่อาตมาเเวาเดียวนี่ให้ใส่ใจให้ฟั่งขณะเดียวนี่อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมามอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังมว่าท่านถึงให้คิดใจยุ่งในปัจจุบันให้มีความผูกศึกในปัจจุบันเออให้เบิ้งในปัจจุบันเบิ้งใจของเจ้าของเดี๋ยวนี้ขณะนี้จิตใจของเฮ่อมันเศร้ามองมันพองใสมันเศร้ามองจะได้ อย่าไปคิดในสิ่งที่มั่นบบดีคิดในสิ่งที่ดีเท่านั้นในขณะนี้พ่อจิตของนายตาเลอหนวดแดงมาร่วมในปัจจุบัวนวนไปเพิ่นได้สำเร็จพระโสดาบันได้ในเมื่อสำเร็จพระโสดาบันระษาลิบุตรก็เออเอเอถึงขั้นละเออโบตกต่ำละบันเนี้พระโสดาบันนี่ก็ไม่ตายอีกก็มันเกิดอีกคำมันพระโสดาบันเกตเอวนันไปเกิดชาติเดียวว น, นไป เกดบีนี่เกิดสามชาติไปเลยเเกดซี่เนี่เกิดเจ็ดชาติบกเกินเจ็ดชาติได้เป็นพระหันไเอออันนี้คือพระโสดาบันเออถึงที่แล้วสิเอออะัตม า, าลาเรนยมแล้วสิกระผมคนนันบาเนี่ยภาษาลิบุตก็เลยยางร่งจากเคลื่อนเข้าเจ้าก็นเลยนายตาเลิอดหมดแดงกันยางไปทรงกันออะไปตามไปทรงภาษาลิบุตรพ่อขากลับมากงูงเขาก็เลยกัดหน่ายตาเหลิอดหมดแดงเลยได้ตายกันออกไปน่ะ นี่แหละตายก็ได้ไปสู่สวรรค์วนไปทั้งที่หน่ายตาเหลือหนวดแดงนั่นจะต้องลงนาลกอเวจีบนเลยมันขาโคตหลายวันไปแต่ว่าอเนกสงในการทําบุญได้แต่ฟังเทศภาษาลิบุตรจนได้สําเร็จพระสูดาบันบ้านเี่พนันหนายตาเหลือหนวดแดงก็เลยสะได้เกิดมา่ักศาตสวนไปแต่ว่าเกิดพบไรชาติใดต้องถูกคาแล้ววนไปเกิดชาติ์หนึ่งก็จิตถือคาเกิดสองศาสตรก็จะถูกคาเกิดเจ็ดศาติก็จะถูกขาวนไป จิตจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ถึงอย่างไรก็ตามแน่นอนวนไปพอได้สําเร็จพระสูดาปันแล้วอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วตัดกรรมได้ไหมเฮ้ยอันนี้ก็คือว่าจะตัดกรรมก็ใช่จะว่าทําหมุนมากอันยโสมากจนลบล้างกรรมชั่วในคณะนั้นก็ใช่วนไปเอออันนี้มันหาได้ยากเล้หนึ่งในล้านหรือหนึ่งในลอยล้านหรือหนึในแสนล้านก็บปูหูเหล่านนไปในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกเข้าทั้งหลาย กรรมชั่วนี่อย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังอักตังดุกตังเสโยปัจฉ่าตะปฏีดุกตังกรรมชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะนั่นพวกเข้าทำกรรมชั่วแล้วไปอยู่ไปหาล่างกรรมมันล่างว่าดรนรกล่างกรรมอ่มันล่างกับพ่ออโยยอแย่เนี่ยมัพ่อเพิ่มเพิจะเพิ่มกรรมเขาอีกกรรมคือการกระทำ ทำทั้งกายเรียกว่ากายยกษ์กรรมการพูดทา้งวาจาดา่นาผูานั้นด่าผูนี้เดียวว่าวาจีกรรมคิดโลภจะาได้ของเขาคิดพยาบาทปองลายเขาคิดออกจอกนอกรูนอกทางเดี่ยวว่ามโนกรรมการท่ำกรรมทำไรสามทาง้งแบบกายยกรรมวิจีกรรมมโนกรรมผอย น, นันพวกเขา้าท่ำ ก, ก, กรรมให้ท่ำกรรมเดียวไวกุศลกรรมให้คิดในทั้งที่ดีพูดในทั้งที่ดีทับในทั้งที่ดีแล้วบอกกุศ ล, ลกรรม อะกุศลกรรมเอ่ะฟันลงไปน้ำหนาอะกุศลกรรมกัมชั่วเนี่ยไปคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วนะทํากับทํากรรมมันอยู่ในกายว่าใจาใจของเฮ้าเนี่ยพรานะนั่นเหยเฮ้าพวกเฮ้าเบื้องเนะี่ตรวจตาเบื้งเจ้าของจะไปทํากรรมที่มันบอดีให้ทำแต่กรรมดีให้ทํากรรมชั่วเน่ยกรรมบ่ดีเนี่ยมิตรความถูกเขามาสู่จิตชูใจของพวกเฮ้านะ เมื่อนีหลวงพ่อในโบสถ์สาธกนิท่านเป็นภาษาบานเห่าให้ฟังง่ายๆเขาไปแต่คนทั้งภาคทั้งภาคกลางให้ศึกษาให้ฟังฟังไว้เด้อให้ฟังฟังไว้เข้าไปหลายบานหลายเมืองเขาก็ต้องเฮี้ยนภาษาไปอังกฤษเท่ากับต้องเฮี้ยนภาษาอังกฤษไปเมืองเล่าก็ต้องเฮียนภาษาเมืองเล่าแม้วัดหลวงพ่อก่อนถาไทยแในภาษาอีสานในภาษาผู้ไทยแนวว่าถอยมองว่าได้แต่ภาษาเจอกมับภาษาอังกฤษเนาะรับพอนบัต